อาตั้งใจฟังกันพระเราก็ะตั้งใจฟังเนื้อกดญาตยกกระตั้งใจฟังฟังแล้วก็จดจําจริงๆนี่นําไปปฏิบัติพ้นไม่ได้รับจริงๆถ้เาเราฟังแล้วบูดจดจำด้วยจดจําแล้วบนนาไปปฏิบัติพ้นกันบโบได้ประโยชน์นี่เท่าที่ควรบนว่าพูดร้อยคาแสนคำํำนี่ร้อยคําันนี้ พันคำเมื่นคำแสนคำคำพูดนนะ่ะก็บมีประโยชน์ไม่อย่างวรเชียว่ารู้การกระทำครั้งเดียวบุได้การกระทำนี่มันมีมีค่ามากเรายังอยากเตือนม่เขาอีกเพิ่มอหนึ่งที่เขามาปฏิบัติธรรมาเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อให้เรารู้จักเหตุผลเหตุคืออย่างผลมันเกิดขึ้นเพราะเหตุเหตุนั้นมีทั้งดีแ้ะชั่ว ผลมันก็ขึ้นมาทั้งดีทั้งซวยผลซวยผลดีเนี่ยเหตุซวยเหตุดีเนี่ยเขาเู้าใจแล้วกันมาปฏิบัติธรรมเจริงหอให้รู้แจ้งรู้จริงมีรู้แต่ดีอันเดียวกระโบแมนรู้แต่ซวยอันเดียวกรบโบแมนให้รู้ทั้งสองอย่างอย่างอย่าพอว่าอย่าเป็นคนตาเดียวอย่เป็นคนหูเดียวอย่าเป็นคนเป็นอมาาัมพาตบบต้องให้มีเสื่อโลกคนว่าควรสุข ที่แท้จริงมนุษย์ควรได้ควรเห็นควรเป็นคนมีนั้นสุขที่โบเจอปนด้วยทุกแต่มันมีมัดทุกคนควรสุขแบบนั้นโบยกเว้นไผ่ทั้งหมดผู้ยิงก็มีเท่ากันหั่นผู้ทรายก็มีเท่ากันฮั่นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีเท่ากันหั่นแม้เขาถือศาสนาอื่นและที่อื่นก็ตา่างพวกศาสนาคิดศาสนาอิสลามหรือฮิวโจน์ผ่าน ม, มีเท่ากันมัด คนไทยคนจีนก็มีคือกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาก็มีเท่ากั น, ค น, นคนเขมรคนญวนคนลาวให้ว่าทุกชาทุกภาษามีเท่ากันมัดค่วมสุขที่ไม่เกี่ยวพนด้วยทุกนี้ดังนั้นพุทธศาสนานั้จริงสอนธรรมะที่เป็นสากลคําว่าสากลเนี่ยเป็นของทั่วไปธรรมะที่เป็นสากลมันมีอยู่กับโลกอันนี้และก็มันมีมาก่อน พระเจ้าคนพระพุเจ้านั้นเป็นคนดุเป็นคนขยันและเป็นคนศึกษาก็จริงพูดก็จริงทําก็จริงเลยได้พบได้หูได้หิหนแล้วก็นํามาสอนคนในประเทศอินเดียคํานัสสวรรค์นิปฐานเนี่ยมันมีมาก่อนคนนี่บัวเชพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นมานี่ก็มันหมดหมดคนศึกษาหมดคนรู้หมดคนปฏิบัติแล้วก็เลยมดึดพญามาเป็นอุบายว่า พุ ท, ทธศาสนาของเรานี่บัดอันนี้พอเราให้ฝังเต็มันอย่างน้อยล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วสิทีเทวดาองค์นี้มาบดมาบางังตะเว น, นี่บให้เห็นแสงให้มือเติบ๊บยืนไปทางด ก, กระบดาดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะทุกว่าคนอดข้าวอดน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนนะย่างไปนี่ไปโซนหลักโซนตอ่อหรือต่ําต้นไม้ตําอย่างกระตำซ่างบ้านเขาเอื้อว่าตา่ําคกลางขาเขาเจ้รียกว่าโซน กินมัดพ่อคนหิวเด้พ่อแม่ไปตามกันเขาวกระโบ้จักลูกไปตามกับพ่อกับแม่กระโบ้จักให้ราโบ้จักให้ทั้งหมืดศัตาวมาสิ่งคือกันทั้งมดในโลกนี้ให้วหมดไปบ้โมโบ้เห็นกันบัดนั้นเมื่อเป็นทางการเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วบัดนี้พระพุทธรูปนี่จะเป็นพระอิดหินปูนกระตำซ่างพระไม้กระตำพระเงินพระทองพระแก้วพระอย่างก็ตาม จะเหาะไปรวมจุดใดจุดนึ่งเป็นวายัางไงพอได้เหาะไปรวมจุดใด้จุดนึ่งแลว้วรูปที่เป็นวัตถุนั่นเราเห็นในรูปที่เป็นวัตถุนะและ้วกระดวงจิตวิงญานพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั้นเท่ากับเม็ดเงาพอได้ไปถึงจุดที่นั่นแล้วก็รูปภาพรนะูปธาตุนั้นที่พากันแตกออกไปเมื่เพราะมีไฟไฟเมลาัายกันบรืไฟวิหูไหมธาตุนั้นไหมเมัม่อ เมืนะ่อดวงจิตวิญญาณนั่งนนะจีนลอยเข้าหา ก, กันเดินเข้าหา ก, กันนะจ๊เอนนี่จะเป็นลูกเจ้าสายสิทธะคุมมาคือเป็นลูกพระโทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาตึมเทื น, นึงผู้ใดได้ไปฟังเทศในขณะนั้นนะ่ะที่บอกเปิดโลกเปิดแสงตะเวนนี้ออกอันพระพุทธรูกหอกไปรวมกันนะอันเทวดาปิดบังตะเวนนะัน่ะเปิดออกมดพระพุทธรูกไปรวมกันแล้วกันเลยรูปทานแตกกันแล้วก็ดวงจิตวิญญาณก็ เข้าหากันรลดอันเป็นอิทธิบินปุณไฟไยเมลัยกันไม่ม็ดบบเลือก่ลยสิคุว่านั ก, กจิตแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนอีกตึมเปิดโลกผู้ใดได้ไดปฟังธรรมะกับพระพุทธแสดงค่าวนั้นจะได้เป็นพระอรหันต์ก็มีผู้มีปัญญาแหลกค ม, ผ, มผู้มีปัญญาน้อยลงมาสิคุว่าจะได้เป็นพระอนาคามีผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระสักิทาคา ผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระโสดาผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นมนุษย์ผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาเนี่ยจะเป็นพุทธสุนต์ตามเดิมมันจะเนว่าอันนี้จะให้โมูหเข้าใจเอาไว้อย่าหานต้องขยันขันแข็ให้เขาเป็นเข้าวทีหนึ่งข้าทีนี้ข า, นนขายก็ได้ราคากินก็ดีลดก็ดีเป็นเข้าที่สองลดลงมาบ้าเนี่ยขายก็ราคาตกลงมากินการลดก็คงจะลดตาม ผลงานนั่นแหละถ้าเป็นข้อที่ซ้ำเข้ามามันกรจิรลดลงมาถ้าเป็นข้าวเตียนบ้านเขาเอิ้งข้าวเตียนเข้าไปแล้วกรจิลดลงมาถ้าหากลดลงมาถึงเป็นหำลดลงมาถึงเป็นแก่พวกมีราคาเลยที่แก่ไปแต่กับนี้คุณค่าของที่แก่จะมีเอาไปให้เนื้ออาจจะไปซกมวยกันเอาที่แก่ที่เลื้อยไปเฮ็ดเวทีมวยหรือบ้านเขาเอาไปไส่ปูดผักนี่เอาไปผูกผักที่แก่หำเอาไปให้หมูให้ไก่กิน คนก็กินได้ขนมอึดมาเท่ๆเข้าไปแบบนี้คนกินขึ้นไปลดดีกว่าหามไปเฮาไม่ก็เช่นเดียวกันเฮามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันเป็นเข้าวทินอยากเป็นเข้าผีถ้าเป็นเข้าผีเราบ่มีราคาหัวจักข้าผีบอกขันบูหัวจักปฏิบัติข้าวลีบข้าบ่มีไนเข้าผีบ่ออกไปให้ยังมดกระ่บกินเฮาไปแก้แต่ให้ถีดเสื้อให้เสื้อนาหอง อาไปให้จักรลอยจักเกี้ยนเนี่ยแก่ไปสุ๊ดตดไปเอาไปให้เข้าวผีมันจีดีประโยชน์อย่างคนแบบนั้นเขาต้องพยายามทําให้เป็นเป็นข้าทีนึงเป็นเข้าอ้วนเข้าเต็มเอาไปเพาะแสรมันก็ออกมายเป็นวายแล้วจ้ะถ้าเป็นเข้าวทีหนึ่งเราดีที่สุดแหละให้เราเมืองไทยเขาจะเป็นเข้าวทีนึ่งเราก็ดีละถ้าเป็นเข้าอ้วนเข้าเต็มเราก็หนักขายก็ได้ราคาดีอยากเป็นเข้าวลีบเป็นเข้าวลีบบ่มีใน อันเฮาบ่มีไหนบ่มีศัทาบ่เบิ่งเพื่นบ่เหลียวหน้าบ่เหลียวหลังบ่เหลียวข้างสายข้างขวนั่นใครใครใครือว่าเขามีแด่บ้างบ่มีไหนบ้างเต็มมีแด่ไหนมันจะเป็นบุ้งบ่เจ็บอันนั้นก็พอใส่ได้อยู่แต่ว่าใส่ขวมพยายามมากอันเมีมันบ่เหลียวหน้าเหลียวลังไม่อย่างนี่ยไปเรื่อยๆไปนี่บ่มีไหนจากน้อยเนี่ยโอ้ต็มทีเลื่อันนั้นเฮายากเป็มทันพอออกคือกันแมยออกคือกันอะ พระทรงองค์เจ้าเขาคือกันต้องเบิ่งเผนการเหตุการทําการพูดโบเมนจีได้พูดหลายเลยเอาโบเมนพูดให้มีจังหวะการประสมกันกับเช่นเดียวกันเขาต้องห้าเหตุหาผลโบเมนหน้าที่กั บ, บเ้าเถอกมันต้องมีถ้าหาเขาเป็นเข้าทีน่น้มันต้องคอยจังหวะให้เขาเวอาจริงๆแม่เขาบอปากจริงๆก็เอาเซนว่าพอมบาทตัวไปเดียขันเข้าบรินายเนี่ยร้ของเขากระโบเสื้อโบอฟังมันโบมีประโยชน์เี็อย่างเนี่คนยค่ะว่ามันโบมีคุณค่าเป็นว่า พูด้อยคําแสนคำํคำมืำ่นคําลานคําสู้การกระทาให้เขาเห็นข้างเดียวบดายราคามาใช่เห็นด้วยตาแต่ฟังด้วยหูพุ่นมันเป็นแบบนั้นทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังเนี่ยเพิ่นวายสั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนสั้นเราต้องจดจาเอาไว้นําไปปฏิบัติเรามาปฏิบัตินี่เรื่องแรกที่สุดให้รู้ตัวเรานี่แหละรู้เพื่อยังต์รู้เพื่ อ, อจะรู้จักว่า เหตุมันเกิดขึ้นเพราะกูทำอย่างนั้นคนอย่านั้นมันก็ออกมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุสัวฆ่าสัตว์หลักทรัพย์พุชจี้ลื่งสุรายาเมากันซาเฮโรอีนเหตุของมันอันนี่ยคนมันออกมาเป็นยังมันข่มทุกขุมจนลื่นเบี้ยลื่นไพ่เนี่ยมันเหตุเอามันอันนี่ยออกมาแท้ๆเหตุอันที่ทํานั้นนะคนมันจะได้รับแท้ๆบัดนี้เหตุเข้ามาอีกนึงโบลินเบี้ยโบล่นไพ่ บวรรินสุลาโบกินกันซาบวเที่ยวการคืนเป็นคนขยันแข่งเฮ็ดของมันอันนี้ก็ได้คนมันออกมาแสดงมีกินมีใสบวเป็นหนี้คนนี่ยเป็นว่าทุกในโลกนี้ทุกปั้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกเพราะเป็นหนี้คนเ่ยทุกแท้แท้เนี่ยในโลกนี้เพราะบ่บเป็นหนี้คนบวเป็นหนี้คนคําว่ามีเกิทุกอิสระนี่บวเป็นหนี้เขาจะซื้อนีเก็บวบแมนเนี่ยบวบเป็นหนี้คนจ้องขยันแข่งแข่งเป็นว่าสัมทะ พอใจในการใน น, นี้เลีนี้ควมเพี้ยนจิตตะเอาใจใส่วิลังสาดําริตีต่อันว่าที่ว่าคนรู้จักหน้าที่ของคนเมื่รู้จักหน้าที่ของคนแล้วคนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของเรา <c oughs> ความสุขมหาเฮาแท้ๆไม <c oughs> ่ไปหาผู้อื่น <c oughs> มหาเฮาเพ่อเฮาทาดีพูดดีคิดดีนี่มันดีพอม ไปยื้อใส่ใคล้ายๆคือทองคำเนี่ยบ้านเขาเคลิรนทองคํามันปนดยวยนําที่สายที่ตมุยื้หัดของคุณเขาห้อนออกมาโบธันเนีเอาบาไปไล่ตะกุมอย่างแดงเป็นสีแดงขึ้นโลดคำํำยังไาห้องดีตกยื้อใส่กระโ บ, บสัวห้องซัวตกยื้อใส่กระหยาขึ้นไวาเหมือนกันเขาต้องพยายามทําให้เป็นคนดียื้อใส่กร้างพระพยยุทธเจ้าสอนคน ให้ว่าคนบดูดีเอาฉันก็ได้คนโง่คนบูดีเนะ่ยดีแต่ปากว่าก้อนสอนเขาอื่นมีดาดเดินเหลือลับหนักไม่ไหวฝึกตนเองอบรมตนเองบ้างไหมฝึกตนเองเนี่ยมันฝึกงานคนว่ะฝึกตนเองอบรมตนเองบ้างไหมฝึกคนอื่นได้ฝึกเราได้จริงจะดีไปฝึกเจ้คนอื่นคุณตัวเองโบฝึกคนว่าพิสูจน์ขันนี้พิสูจน์นะคนว่า ทิศสูรามกสันดานนกกาเนี่ยกามันห้อมไว้เ้ามาบุญธรรมก้ากาเนี่ันว่านันบุตีอันนั้นคนมีแต่พูดเหมือนบุตีสันดานนกกากาเนี่มันให้อย่างเดชหน้าที่ของมันหนึ่งเหมือนห้องสองมันลักกินสามมันตื่นดึกเอายังไดบ้าเนี่ยเอาอย่างกาแกอย่าทําอย่างกาเนี่ยเอาบุนไรเอาบุมันตื่นดึกอย่าทําอย่างไดอย่าทำอย่ามันลักกินกับมันห้องอย่าเอาเลือกเอาจังหวะเห็นคนต้องบึ้ง เป็นครูเขาได้ทั้งหมัดผู้ดีคนเขาก็เป็นครูผู้เลวคนเขาก็เป็นครูผู้เสมอเขาก็เป็นครูเป็นได้เพราะอยางไรผู้ดีคนเขาในคนออกหน้าให้เข้าใจกันผู้ต่ำคนเรานั้นน่ะนำหลังเขามาเขาก็เหลี้ยวหลังเบิงโออิตานี่มันงงขนาดนี้เด้เขาอย่าโงงทางฟันฟันนี้ผู้ใหคนหน้าขอโทษเราอย่างถูกต้องเน้นเป็นครูของเขาคนที่ย่าเคียงเขาไปอย่างเสมอเขาการงานเสมอเขาดีชั่วถึงเขาก็เบิง อันนั้นก็นดีอันนี้ก็ดีอันนั้นผิดอั น, นิดเป็นครูเขาได้สามคนไงเขาจะมาสิ่งที่แยดล้อมเขานั้นเป็นครูเขาได้ทุกอย่างสิ่งที่แยดล้อมเขานั้นอ่ะมันจะแนะนําให้ทุกอย่างใช่งหมอย่าเอาสิ่งที่ผิดที่หาว่ากันนี่เนี่ยที่มีงานประชุมกันนี่มีเรื่องอย่างสิหลัวงพอมีอุดมการณ์เอาไว้ใช่าหถ้าหากไปกับจ้องขันนี่พออยู่ดีมีแหงมาเจอกันเขาก็ต้องให้ว่า สาดน้ำใสขัดเปียกอยู่ทุกมือละไปให้ว่าเธอไปบุมี้จะได้เนี่ยนุ่งผ้าดีพ้าแห้งขึ้นมาต้องหลับศพมาลดแต่ว่าทุกอย่างที่เนี่ยภาวานี่มันบุญเป็นทุกอย่างที่โลกเขาทุกเดชบุญเป็นอย่างนั้นนียทุกว่าสนหมดทุกพระพุทธสอนให้คนหมดทุกขึ้นมาจยางกันสอนคนโน่ให้เป็นคนสลาดมันโน่ที่มันไม่ดีบ่ญไม่ที่สุขบุมันก็ทุกเส้นวัวมันสลาดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ก็หมดไปสอนให้คนทำซัว มันกำลังทำชั่วทำผิดอยู่ขนาดนั้นานๆเข้ามันก็เลยเลิกค่วมทุกข์กระมือไปมันมีทุกข์ยุย่เดี๋ยวนี้เนี่ยันสอนว่าอะไรเธออย่าให้จางซันเน๊ยอย่าให้จางจีเนี๊ยหลายเธอทุกข์กระมดไปเพราะมันอีรู้จักเป็นว่าเตือนเด็กลุกเา้าไหวพระสวดมนต์ทำธุระหน้าที่ของพระสงฆ์บันี้คนเขาคือกันเตือนเด็กลุกเ้าหาการหางานทำถ้าหากเป็นอันเนอ ทำงานทําการตามหน้าที่คนความสุขมีอยู่แล้วแต่เหาบุหามันมาเท่านั้นสื่อเมื่อเขามาหามันมาก่ะต้องได้โดยเพื่นว่าง่ายของที่ควม้มเปิดของที่ปิดอันพระพุทธเจ้านั่นคือคนทุกคนนี่แหละทุกคนนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าจริงว่าอันความสุขเนี่ยยืดนำเฮานี่แหละจริงว่าความสุขของมนุษย์ควรหาให้ได้ควรหาให้เห็น เนี่ยควรหาเอามาใส่กับซีริส์ของเขาทื่ว่ามานุษย์กับคนี่ควรไม่มีทุกข์เขาทุกข์เพราะอย่งเพราะเขาบูดหัจักควมสุขยู่ใส่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวอันนั้นคือจิตใจของพระพุทธเจ้าถ้าหาเขามีจังกันเขา ก, ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้คือกันเคยได้ยิน พระพุทธเจ้าว่ากับพระวักกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับทายจีบอลเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมก็ต้องเห็นจังสั้นอันทำให้ทานานกับทำคือกันทเนี่มันจึงหลายสั้นหลายลึกมันเป็นสั้นเป็นลึกคลายคลายสืเปลือกหม้นี่นะเขาจับทาอิ่ก็ต้องจับมีคายใบมันลึกลำก็มีคาย ฟันคายมันออกไปเห็นเปลือกมันฟันเปลือกมันออกไปเห็นหมอกมันฟันหอกออกไปเป็นน้ำรอลืนอ่เปลือกเดอนฟันอน้ำรลอเลื่นออกไปเห็นในเข้าไปฟันเข้าไปเห็นในฟันเข้าไปเิ็นใจกลางของไมค์คุณนั่นเขามาปฏิบัตินี่ก็คือการนี้มันีะเห็นเป็นอ่างนั้นนี่ถัดอีกนี่เห็นตัวเฮานี่ยจะก้อนกู้จักตัวเฮาเจะก้อนก้อนมาจะเห็นความทุกข์คือโทสะโมหะโลภะมันอยู่นี่เลยก้อนไปเห็นอันนั้นแล้วกันเฮาู้ตัวเฮาแล้วเห็นทุกข์ หอกกับเสาเรื so ่องนั้นกับบุทุกบันก็ไปเอาปฏิบัติเห็นโทสะโมหะโลภะแล้วมันเป็นทุกเม่อเห็นันนี้เก็เวทนากับบทุกสัญญาบทุกสังขารบทุกวิญญาณคนเอื้อนสินอน่สินอันใดสินห้านึ่เห็นรูปรูปจ็บบทุกคนเอนอว่าสิงขันขันห้าเนี่ยสองเห็นโทสะโมหะโลภะแล้วเวทนาบทุกสัญญาบทุกสังขารบญทุกวิญญาณบทุกเนี่ยคนเอ้นสินห้าเนสิงขันสมาธิขันปัญญาขัน ขันมาอยู่ทางซิอันขันตักน้นจินกับขัดมือขันอันนี้แหละมีสิทธิ์ได้เมันโบทุ๊กเขาไปรับสิทธิ์ยืนน่ะนะหมจะซื้อของโบหุ่นอยากได้หน่ะจึงว่าหน้าที่ของคนมันควรได้รับคลสุขแบบนี้มันเป็นอะไรขอสุขแบบนี้เพราะอย่างเพราะมันโบหุ่นมันนี้ปฏิบัติเข้าไปเนี่ยควมยึดมันถือมันมีใจเก่าใจก่อนมันนะเลิกละเมันวะเนี่ยอุปทานหมดไปเนี่ยกิเลสหมดไปปัญหาหมดไปกรรม คือวิบากกับหมดไปพร้อมกัทุกแบบนั้นเพื่อนว่าเพื่อนว่าจยางนั้นปริยพันธ์สอนอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรรู้ควรเห็นควรเป็นคนมีและควรได้เพื่อนว่าก็ไปบันเีน่งเราจิรู้จักความสงบความสงบเนี่สงบแบบบลูอันนึงสงบแบบลูอันนึงสงบแบบบลูจากไหนเลยนอนกับเทวดาเป็นเสี่ยวกันไปรักษาสิทธิ์นํากันทํากรรมฐานนํากันจะเรียนวิจารณ์นกณานกัน เฮ็ดน้งเห็ดน้ำกันเมิดอส์คนนึงทําด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์อีกเลยคนนึงทําด้วยความโลเลทาสัพทธรรมเท่านั้นค่วมจริงว่ามีใน ต, โตวัวทำศัว่าทําแต่ว่าหักกันแพงกันเห็นเพื่อนไปก็ต้องไปแต่ว่าทํามโบจริงโบจังทําสักว่าทําเท่านั้นนี่คือสองคนนี้มีอายุยืนล้วก็ตายแล้วคนจะตายเป็นนี่คนที่ทําสักว่าทําบจริงโบจังตายไปแล้วไปเป็นหนอนเป็นว่าอยู่ในฐาน ในวิย์ในห้องซ้วมวาสนาการ้ดของพระเมื่อว่าจะพระละคนมันก็นไปได้คือกันนั่นแหละบัดนี้ผู้เอาจริงเอาจริงพูดก็จริงทํากจริงตายไปเลยไปเป็นเทวดาที่เมืองสวรรค์คุณคนไปเป็นเทวดานั่นแต่ยานกาต้องมีตาทิพย์จันทร์เทวดาที่มีตาทิพย์มีหูทิพย์ผู้ไป น, นอนแล้วบุมีตาทิพย์บุ๋มีหูทิพย์ซอกหักกันบุเห็นแล้วโอ้เสี่ยวคูนี้ไปใส่นอแ้ะทาบุญให้ทานกำกันแล้วก็ซอกหักกันบุเห็น ไอ้ผู้เป็นหนอนก็ซ้องหาไอ้เป็นเทวดาพวเห็นอ้เป็นเทวดาซ่องหายหนอนขบว น, น เ, เห็นมันมีจังหวะมองไปมองมาหรือตีลักบัดรก้มลงมาสิกับบุคคจกักแล้วก็มองไ ป, ปรอๆไปก็ไปเห็นเห็นเสี้ยวเจ้าของเป็นนอนอยู่ก็เลยจันแรงแปลงกายลงมาเป็นคนลงมาทเทวดามาก็เลยโอเสี้ยวเห็นยังเงียบฉันโอ้เจ้ากระ ย, ยุใส่เสี้ยวจะจำเสียงกันได้ไหมเงยนอนกับเทวดากับพูดกันได้ แมงวันกับคนมันก็พูดกันได้คนวายังสันคนเตี้ยเทียบ ว, ว่ามีสี่เป็นผู้มีฤทจันแรงแตงขายเลือดเอาสัตว์โลกทั้งหลมารวมกันเพื่อจะให้คนกับสัตว์พูดกันได้คนวายังสันอันหาว่านะแมงวันจีว่าเป็นายสัตว์เวลาสารหรือ์ทุกประเภทีคนบนเนีย่ยเป็นาศาสดาจารย์ผู้นูนเที่ยวสารทาั้งหลายมันพัฒนาไปผิดคน แมงวันมันบูพัฒนานําด้วยตับโรกทําหลายทิศยกมือให้แมงวันส่วนคนที่เป็นศาสตราจารย์กับคนยกมือให้พอดูคนที่สุดเนาะคนพัฒนาไปเร็วเครื่องบินก็ได้ว้ากันบาดสุดท้ายแล้วที่เป็นพิมาว่าแบดนอนค <c oughs> ันว่าเป็ดแบดนอนคนมาจีบมันจีบบุกเข้าโค้งกันจริงว่าคนมันพัฒนาถนนคนทางพัฒนาเสือ้อผ้าถ้วยซ้ำจาม่วงแต่งเนื้อแตงตัวนี่มีเครื่องเป็นซุดๆเดียวเนี่ยมันไปไว คนที่สุดพัฒนาวัดลุกระเบิดตื่นนี่พัฒนากำลไปยิงกันตายบัด น, นี้อยากให้โจเมียงวันสัตวโลกทั้งหลายมาพัฒนายังมีคนรู้อย่างเขานั้นบัด น, นี้ให้เลือกเอาหรือสี่ให้เลือกเอาเลือกออกก็ได้เมียงวันเมียงวันแกเมียงวันอะไรเมียงวันนี่มันเข้าคนได ม, มึงสับว์มันกับไปตอมได้คนมันกับไปตอมได้แม่ที่สุดของอุจจระจมันกับไปตอมเ้าไปดึงเนี่ตลาดขายของมีเมียงวันทั้งนั้น เมีวันนี้ยโอ้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดีมันก็เห็นชั่วมันก็เห็นนี้่นได้ก็เห็นเอ้าเลือ่องเมียงวันเถอะพวกเขาเอาเมียงวันเลยแต่บัวด้ว่าเรื่องที่ว่าครั้งนั้นมีสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ด้วยขานบัวว่าวาสั้นๆั้นหลัดๆให้หมูเจ้าจันได้แค่นี้เลื่องเมียมันนึกวให้สัตว์ทัาหลายพัฒนาอย่างเหล่านี้แล้วโลกมันจะเจริญนะเอ้าจบแล้วศาสตราจารย์เอ้าวันนี้เมียมันขึ้นไปบันเน่ เมื่อวันก็ ว, วิปัะไปจีใบโกโฟนคนแล้วของว่าใส่เด็โกโฟนนี่นมาคนรอยู่จะได้ยินหลายมันหลายคนเนี้สัตว์โดดเลยข้าพระเจ้าเห็นดีท่านพัฒนาแต่ข้าพระเจ้ายัางไม่เห็นด้วยไม่อยอมพัฒนาข้าพระเจ้าอยู่ด้วยกันแด้ไม่มีคนทุกขไม่ถูกคนเดือดร้อนแม้แต่มมดดำมดแดงก็ไม่เดือดร้อนเนะี่ยทําไมเดือดร้อนอยังไดไม่เดือดร้อนเพราะหมูเจ้าเนี่ยสร้างถนนขนทางเดือดร้อนคอยบุคอยผิดข้าจักสัตเล็กสัตน้อยมา ก, กินโบเทสเดียวพอจับสัดมา ก, กินเลย แง่สร้างอยาพิษขึ้นมาสร้างลูกระเบอรขึ้นมาที่มนใส่หมูไข่เหมือนเดือดร้อนหมูเจ้าก็เดือดรอนคือกันไม่พัฒนาอ้หมูเจ้านี่ย่อยากเจริญไม่อยากเจริญแบบนั้นอ้าวเมืวันพัฒนาได้ได้ยพัฒนาวารับได้บัดเนี่ยข้าพระเจ้าอยากพัฒนาให้เอาอยาพิษไปคูดลุ่มฝังว่าทั้งพวกข้าพเจ้าอยากพัฒนาให้เอาลูกระเบอร์ไปโยนลงน้ํามหาสมุทรเลเให้หมดหมู่มข้าพรเจออา้าจี่มีขมสุกยอนปูปลาหนาน้ำก็ะซิบบ่ตาย ต้นไม้ต้นต่อกกัิบไตยข้าพระเจ้ากับซบไตายพวกท่านกับซีบไต้เอ้าเอาทางใดสับโลกทำลายประยกมือให้เมียงวันหน้าจ้าดาจารย์หน้าหงอยเง่ประโยชน์นี้แหละการพัฒนายาคานยาคานยาคานพัฒนาทุกหลักถ้าพัฒนาบนทุกหลักมันพินาศจีบหายบ้านเฮาเมืองเฮาเดือดเมเจอกรต้นไม้โบอืดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างแห้งแรงอยากได้แตเงินเงินมันทําประโยชน์ทาอย่างไ้มี่ประโยชน์ถ้าใส่เป็นบ่มีประโยชน์ใส่เปลี่ยนเป็นวัด ห้วยเขาเนี่ยมีน้ำเพราะต่กอนมันไหลอยู่เดี๋ยวนี้โบมีน้ําไหลปูปลาหนา้ํามีแต่ก่อ น, ะนมมตัวเทาตัวหอยมีเต็มมัดนะเนี่ยเพรานะตะกอนหนาๆโมเป็นหนองนี่อยากกินเท้าจะลงมาทานน้ำก็มีอยากกินหอยลงมาทานน้ำก็มีปลาก็มีเดี๋ยวนี้อยากยพอไปเบิ่งแห้งหรือ้บบนใครแต่โมีและเดีนี้เพราะยังพเ่ อ, อพัฒนาไปเร็วเกินไปนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยเพราะให้ยังอยากได้เครื่องสําอางเครื่องแตงตัวนี่ อันมันพูดที่เขาขายเขาต้องการเงินเนี่ยพอได้ยิงขจ้าว่าไข่ดองเนี่ยหมือว่าสัตว์เนี่ยเขาเอาไปขายในตลาดคนซูดด้อบุญเขาไปเทลงทะเลพั่มหมดเขาอยากให้ของแพงเนี่ยตอนนั้นเให้ได้เล่นให้หนังได้เล่นนำเงินเนี่ยค่าพุนขี้กันชิ้นนี้ม่เพออาะหนังเพาะเงินทั้งนั้นเงินเนี่ยใส่ให้เป็นเป็นคุณใส่บัเป็นเป็นโทษใส่ให้เป็นเฮาอ่ชิดให้เป็น พัฒนาให้มันเป็นคืนแมงวันนั้นเส้นพอเจ้นแม่เห่าผู้ลายขโมยบ้ค่อยหนีไปแต่การยางไปแต่เหากับโบว่าพัฒนาได้มีเหาก็บยักมี่คือกันเครื่องบินแต่บนเรนยากษ์อันให้มันพินาจิพายนั้นเดี๋ยวนี้มันแยงเสี่งกันเฮ็ดุกกระสุนเดือดเดือดคืงกันผิดใจกันมาเลยเนี่ยผิดใจเล็กเล็กเล็น้อยกว่า่ากันเลยอันนั้นค่วมทุกยิงกันเพราะอยังเพราะมันไปยึดไปถือไปเอื้นกีเลสตันหาอุปาทานมันเป็นทุก พุกเพื่ออยังเกิดขึ้นเพราะโมหะโทสะโลภะเกิดขึ้นพ้ปาปัญญากูจริงสอนให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงมันไม่จริงสิสัตว์ทกเหตุนี่มาอันนี้ก็เอาสัตว์พัฒนาได้กับแมนอยู่มามันกักัดกันเป็นตัวงตัวคนก็ดนกันอันมันกัดกันมันโนกันเพราะอยังเพราะโทสะโมหะโลภะเพืพ่อความยึดมัน่นถือมั่นนี้เพื่นจึงว่าพัฒนาอันนี้เนืองวันมันซอบอย่างนั้น เข้าใจไหเหาลุกเร็เวกันอยู่ซึ่งมือเดียดนี้เนี่ยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยนี่พี่น้องเขาเมืองลาวเนี่ยห้ามไปบ้านนาคานาสักบ้านนาเทียงนาปฝานาแตงมือเนี่ยเหาไปมาหากันทุกเวลาเมื่อค่ำเมื่อคืนได้สบายควมเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาเอิ้นหากันทนี่บ้านเฮาเป็นหฮนไฮฟังนั้นได้สบายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปหากันได้บ่อยเนี่ยเพราะอย่งนี้แหละการพัฒนาน ไ, ปไปเร็วเลยขาดที่ขาดน้องกันเขาดูหน้ากันบ่ได้เนี่ยงด กระตายสัตว์อื่นๆก็ตายเพราะมีปืนสปกันตายบ้านี้ทิ้นระเบิใส้ในน้าน้ากระมันแห้งไปปลาก็เลยตายกินไม่ได้เนี่ยพอเห็ดเนี่ยเขาจะทิ้งระเบิดส่น้ำเอาตู้งงไปน้ากระทบป่าบวกกินจะไม่บางทีตายขึ้นมาบางทีก็ตะลุ่ตะเล่เป็นบ้าไปเมื่อวันจีวะพัฒนาเอาไปทิ้งซะอย่าเอามาจิ้วแจงซีอย่าพิดี๋ยวก็ไปทิ้งข้าวซะ แมงวันทีกเป็อยังคู่จากคนได้แท้เป็นบนหน้าจีเป็นอย่างสันว์ประโยชน์ให้เราเลือกเอาดีๆเลือกเอาผู่ที่ดีมาแก้ปัญหาของเหาอันนี้เป็นว่าให้เหาฝังการพัฒนาของเหาดีเลยเด็บุแม่นหนุ่มบดีเด็ดีบุดีฮุหมมึงว่าแก้กรุงเทพมาหาบ้านเหาในฮอร์เมื่อเดียวทำไมหอยงามันมาเดือนนึงเดี๋ฮอร์สนี่เป็นหย่า ง, งสัคว์มเร็วของมันมันนี้เครื่องบินมันมาเป็นสมบูรซะบ่เนี้ ลดไปเป็นหลายเส้นหมงอแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาไปเถึงได้ดังนั้นความสุขของคนเนี่ยบุญเรีว่าจิว่าย์ให้ตามขั้นตามตอนบุญเนเขาต้องขึ้นเครื่องบินไปไปกรุงเทพไปการหาความสุขก็เช่นเดียวกันคนมีปัญญาจึงหาได้อึดใจเดียวเท่านั้นเมียงวันเอิบเมียงวันแต่โตนอนว่าจิว่าเมียงวันเมื่อกี้นี่มันมันบุญเรียกจิมมาว่าเรื่องนอนบุโตนอนจึงพัฒนาบุเปลี่ยนตายแต่ไปไปเห็นขี้จะหวยจุเป็นอาหารดีๆว่าท่น ถามผู้เสียเส้ยวโตไปยึดสาเสี้ยวสินเน่ยเอากลับไปย่ดเมืองสวรรค์ขปิเทวดาสินว่าโอ้โตอยู่นี่นานเลบยบุกโยกอนเมืองสวรรค์อุดว่าให้ฟังเลยนะมันมีคุณค่าจังเลยสินขันเป็นกาไปของขี้ไปเนี่ยเสี่ยวสินอันเฮาว่ากับยึดเมืองเฮากกปเป็นคนยึดเมืองมนุษย์นะ่ะยึดเมือเฮาเป็นคนยึดเมืองมนุษย์นะ่ะ เขาค่ะว่าอยากไปเกิดเมืองสวัสด์ในบอเสี่ยวแน่นวะสิอันผู้ตกไปเห็นโดวอลให้ฝังมากอนอันคุณค่าของเมืองสวัสด์โอ้เมืองสวัสด์มีของทิพย์บอเสี่ยววะสิอยากได้อันนี้ก็มีของทิพย์อันของทิพย์มันเป็นชนไดเซียววะสิเขาต้องนึกเอาแล้วเสียววะสนอยากได้บ้า น, นงามๆสวยๆเขาต้องนึกเอาก็ได้รถเป็นบ้านขึ้นมาโหลดโบอตอนนี้เห็นยังเนี่ยเห็นโบคันมีเมงนินแล้วนึกเอารถจ้างเขามาเห็นให้รถเนี่ยเมืองสวัดสวด์เป็นเงินฟันอาหารดีๆไปเนี่ ใครยากกินอาหารดีๆก็ น, นึกเอาก็ได้โรเสียเนี่ยมีเงินพะยอยาค้ามให้หู่จักหน้าที่ของคนมีเงินสร้างเข้ามาให้เรากินผัดเด้อเอามาให้หัดบ้านพิโรจน์เพื่อกับโบราณครับย์เอาไปร่างพระเจ้าเนี่ยเี่ยเป็นว่านึกเอามันได้โรเยนี่ยอยากได้เสื้อนางามการเกงงามๆนึกอาก็ได้โรเสียจนยปาท้อเสียวทุกวันไมได้นึกเอามันได้โรเชียจนเนี่ยมันเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดการฟังผิดไปปฏิบัติก็ผิด ผลออกมาก็กคือทุกการฟังแล้วใช้สติปัญญาถูกต้องพนมันก็ถูกต้องออกมาก็โบ้ทุกเพื่อให้หู่จักควมเป็นคนคนค ม, มันควรได้รับหน้าที่ของความสุขเพื่นจิงว่าสาคัญมันมีอยู่ในเฮานี้เพื่อนว่าจังบาตไอนอนบาตโถเสี้ยวไอยัางไปได้นึกเอาป่านนันนอนเลยได้นึกเอาแล้วเสี้ยวจังเพราะมันนั้นเนี่ยโอ้เจ้าของอยู่นี่มีความสุขในเสียว่ มีความสุขบได้นึกได้ฝันไดยเสียวไว้กว่าฉันเนี่ยนอนมันเฮ็ดงั้นเป็นของชั่วเป็นของดีได้ไหมนี่แหละบอป็นนี้คนกลว่าสุขบนแหงนี่ยสุขบเป็นนี้คนแวบนนั่นมาจี๊ใส่ได้เบามีแต่อาหารดีๆเสียวไว้เอาแตอยู่เนี่ยบได้นึกได้ฝันตอนเช้าตอนเย็นกลางวันแม่มันให้ว่าอยู่กับอาหารดีๆีนี่เสียวว่าฉันนอนก็นอนดีดีจีนิ่มนอนนอนนอนนอนมันเป็นคนได้ไหมบอดเป็นคนสุขสวยได้นอนขันตัวใหญ่มาได้แท <mon> <and> ้ <et> <Sacramento> เนตาเบิ่งแม่นนดินอกขี้งอขี้ข่วยนะขอเสียว่าของดีอันเนียสิของดีไม่เสียวขี้ว่าเสียวอันเนว้สโอ้ขี้ติดเสียวอันเนี้ยเาบอวากขี้ว่าสโอ้ขี้ได้เสียวนี้จะของดีจังไดอเนี้ยนี่ี้ตีสขี้เม็นได้เสียวนี่เหม็นดิดเสียวเนี่ยเม็โอ้มือสวัสมีขี้บริษัทห่าบัตนี่เอามาิมีซ้มาจินของทิศได้เสียวมีขี้ปาโตเสียวไว้สเขากินขี oh, okay, ้ไว like ้สิ <issimo> เขากะไปยื่นมูบได้เมืงองนบิชีให้เากินเนี่ยหว ก, กระดิบลงกองขี้อีกตืนน่นคนคัมซอนให้ละของซัวมันบอยากเห็ดเพราะมันกลิ่นชี้อย่าตัวอยากวาวาให้นาให้ฟังซื่อๆเดิคนซัว น, นั่นคือว่ามันโบดีมันดีได้ยักยัวพระพเจ้าอยาสอนสอนคนโง่ ง, ง, งน่นให้มันสลดัดเอ๊ะมันกระอยากสลัดอยู่มันหักบอยาสลาดัดยังวะซ่อนคนทำซัวซอย่างเนี่ยให้มันเลิกละอยากทำความซัวมันกระอยากโบอยากทำซัวแต่มันนักบอยากคมซัวมาจึงวา คือหนอนนั่นแหละคือหนอนนั่นแหละวางให้ฝังอยู่เนี่ยมันยังมีจะกองขี้อยู่มันยังมีจะกกองขี้บว็นมันเข้าใจว่ากองขี้เป็นอาหารที่ดีมันเข้าใจว่าหัวงโนั่นดีมันเข้าใจนัมันเข้าใจว่าการทําั้วนั้นดีเป็นว่าบัดนี้มันเดือดทุกพระพุทธเจ้าจึงว่าซ่อนคนที่มีทุกนั้นให้มันหมดทุกคันท่าคนมีปัญญาคนสอนจังซังพุทธศาสนาเนี่ยเป็นซ่อนจังไหน ความสุขมันมีอยู่ในเฮานี้เอื้ใจเดียวเอื้อมือให้ถึงนอดผันว่าจยางสัน้นความสุขโยนส่สุขหนึ่งเฮานั่งอยู่ในนี้เพิ่งเอิญจิตอันนี้เพิ่งเอิว่าความสงบความสงบกัเอินสันติกะเอิญอุเปฆากะเอิญอยู่ซื่อๆกับเอิญจิตใจอยู่ซื่อๆกเอัเอเิญเอาแต่หัวใจเรี้ยงมันว่าทิศสุทั้งหลายหากประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของเหล่าจักรคุณนี้ มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เฮามานั่งอ ย, ยู่เนี่ยแปลว่าเขาปฏิบัติตามคําสอนของพระพเจ้าให้เขามีสติรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของพระพิจาอันนี้มักผลนิพพานจิบาว่างจากโลกนี้นั่งฟังเนยพราะว่าให้ฟังเดี๋ยนี้จิตใจบูร เ, เจ้าสงบอยู่เลยอันนี้ก็เป็นรสศาส์ของนิพพานอันนึง่งนั่งฟังบูรุษมันคิดอยู่เนีย่ยมันเคลืนมันไหวอยู่เนีย่ยจิตใจมันสะอาดมันก็เห็นจิตใจมันสว่า เป็นรถซาดของพระเจ้าขึ้นมาสองอันสามอันขึ้นมาจิตใจคลองใสจิตใจว่องไวจิตใจปกติบริสุทธิ์ดีนั้นสมบูรณ์แบบและแบบ น, นี้เนี่ยเอื้อมมือเอาปุ๊บได้รถเดืผ่านเนี่ยไม่เป็นไรเอาแบบ น, นี้พิกสู่คารวะญาติโยมอยู่โดยชอบแบบ น, นี้พระอรหันต์ก็บรรวางจากอยู่นี้ยู่โดยชอบอยู่ได้ยืดยันโดยชอบยู่ไหวี่ยาใจักฟังได้ซื่อนี่นะมันจะโก้ได้เสียปะโทปวดปวดได้แล้วเนี่ย อ้าวเป็นนักมวยเนี่ยซกใส่ลุมตาโลบเดียกโกดลมแดงแง่งลงรถแน่บันนี้อันนี้เป็นวายุโดยสอบคนวอยู่โดยสอ บ, บาอายุหัวจักบเบียกโกดมึงดีมึงบดีเขาว่าขึ้นมาได้บ่าฝังเสียงเนี่ยเจ้ากาขาวาอออนขน่าก็บ่าผลที่สุดแล้วก็เขาว่าเ อ, อินขนเขาเอิญโซเล่บ้านเนี่ยพอพ อ, อ, ยพอ่ะพอแม่เนี่ยพอส่วคนไปว่ากวนกวนไปก ว, ว, ปวมามันโซเล่เสียนเอาไปจักปูจับปลาเขาําใส่คนว่าไอ้โม่ที่ตั้งไว้เนี่ยเจ้าลำสองทางเว้า กวนให้มันคุ้นนะสันตาเนี่จะเอาได้ปะเนาะสร้างวันเน่ยพอบสรางวันเพี่ยพ่นอนจัดเนี่ยตาเนี่ยขบกวนมันบุกคุ้นมาจับเอาได้ยาคนมาเขาจีทอดแหย่แต่ขันมันน้ำใสๆมันก็แล่นนี่พยะหกวนได้มันคุ้นนะสันโบแมย์นีมันว่าภาษาของคนคนเฮาเนี่ยอยู่โดยชอบได้มันขึ้นมามันอจีโกดมันเห็นเนี่ยพระอรหันต์มันเห็นอันนี้มันจีฮักที่ฟังมันเห็นถ้าอรหันต์จริงว่าบวางจากโลกนี้บวางจากโลกเฮานี้ได้โบแม่์ว่าดินฟ้าอากาศพุ่นได้ คันไปเข้าใจไปพุ่งก็ออกนอกตัวไปแล้วมันก็ลืมตัวไปแล้วนี่แหละควมสุขที่พระพุทธเจ้าสอนเอื้อมือเอามาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้บ่ไม่ของยากจะรักษาสินก็ได้บ่รักษาสินก็ได้ให้ทานก็ได้บ่ให้ทานก็ได้ได้ทุกคนถ้าฟังเป็นฟังบ่เป็นนั่นโอ้ยมันก็เต็มทีแล้วจิวิญญางไหนก็คือเนาะนั่นแล้วบอกประเด็นก็ฟังบ่เป็นเด้อของมันเป็นอัง ส, สันสันตาตยานของสัตว์ขวายังไง ความด้านของคนเลวมันเป็นความด้านคนวายังสั้นใช่ปะเขามาเจริญนี้ศาสนาต้องทำต้องเจริญใหมันเกิดปัญญาให้มันเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละคือนิพพานเอาให้ไกลๆบนนี้อย่าพอเอาให้เด้อร้อยฝังสื่อๆนี่เด้เนี่ยพออายุสี่สิบหกปีเน่ยพอรู้เรื่องนี้ขึ้นมารู้แล้วหลวงพอโบสสงสัยใครคิต่อว่าต่อเสียงกับเรื่องของเขาอย่าพอโบหัวซาที่หัวซาให้ยังเคยได้ยินว่าเขาด่าพระเบญเจ้าอ่ะ แต ป, ประกาศธรรมะทางบวารบานานันบานีเ น, นาะเพราะว่าลาบ้านันบาลีเป็นบุรีภิกษุที่ไปประกาศพระศาสนานําพระบริเจ้าภิกษุธรรมดานี่ยนะเจ้าหัวไอจัวอะไรต่างๆไปไปก่อกใดมุมในเขาก็ดา่าบักโมโลน้นบักขี้ขานเอาเปียกสังคมสู่เนี่ยเดือดร้อนนีดา่าไปพวกพระพุถุศนคนธรรมดากานันนีแล้วก็ดา่าซู้เมื่อซู้เมื่อก็อายแล้วคนเป็นบวชพระบริเจ้าบวชอาย เขาบูฮูเขาอย่างว่าใไหให้เขาด่าไปเอาอนุนเขาเลยว่ามันมีสถิตพระพุทธเจ้าเลือกครูบาบรทุกีวาจะไหนก็ได้นี่เธอหนี่ไปใส่เขาอนุนไหมหนี่ไปบ้านหน้าพุ่นอ่ะขันไปบ้านหน้าเขาด่าเดยไปบ้านหน้าคุ่อีตึมอ่ะไปบ้านหน้าเขาด่าเดย์ไปบ้านหน้ามันอ้พอแล้วอนุนเลยเขาด่าย่ใส่เอามาเบิ้งด้วยไงบุญมีแน่เป็นวายเอาละอนุนไฟเมืองใดไหมตอนนั้นเมืองนันนอดเรื่องความติสิทธินินทากาเลเหมือนเทน้ามันมีประโยชน์มั้ยยัง ควมามชนะเสื่อมการขายๆายกันมันโบดีเพราะข่ม น, นินท้ามันบ้ซั่วเพราะข่มนินท้ามันบ้ดีเพราะข่มชนะเสื่อมมันบ้ซั่วเพราะขสมชนะเสื่อมมันดีเพราะการการะทำมันซั่วเพราะการกระทำเขาทำดีแล้วบอกเรื่องเขาทำซั่วคนมีปัญญาเขาจิหูผลที่สุดด้าบาไหวขึ้นเมื่อได้แต่เมื่อซื้อเนี่ยพูดรับจ้างก็ได้แต่เงินออกไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรเงินจ้างเขาแล้วก็วเศาร์ชนะคนเมื่อเมือเม่อังได้เงมนหูหัน อันเจ้าของมึดทางเงินเมื่อกาเมืออีตืมนเน็และภัยที่ดีกว่นี้สองคนนะคันเขาโกหกเเขาไปโกหกเขาตืมที่หลังนี่ไัที่ดีดงัวกกันก็คนโกหกที่หลังนี่เราโง่เขาโกหกเขาทุกเนี่เห็นว่าเขาตกนรกทางเป็นคนว่าอยู่ในสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนี่พานโกอยู่ที่ใจคนบูรุษนรกมันจีรีกนรกได้ด้วยมันจงรู้นรกมันจึงรีกนรกได้คนบูรุษสวรรค์จะเอาสวรสด์ได้ด้วยคนบูรุษนี่พ่านจะเอานี่ผานได้ด้วยตายเลยยังเอา โอ้พ่อแม่เขาตายแล้วเขียนจดหมายมาจากเธอพ่อไปยุ่ลงสวรรค์เด้อพ่ออยู่นิพพานเด้อแม่ยุบสวรรค์เน้อแม่อยู่นิพพานเน้อบ่มีจดหมายแบบนั้นบ่มีพ่อเนีพ่อกะตายแล้วแม่กะตายแล้วไอ้นอกกะตายหลายคนไปแล้วนะให้เราหมดแล้วอย่างแต่ประหนอดนี้นั่งอยู่ทผเดียร้อนนั้นแหละเดี๋ยวจะนอกกิตายแล้วภายในตายอนกันบุกยักกันนี่ยเดีวเมื่อเห็นถ้เขียนจดหมายมาให้ถึงถึงแล้วจะไปเอาจะเมื่อตายคนบ่มีจะเอาเดียวนี้คนมีปัญญาก็ต้องเอาเดียวนี้ที่ คิดบ้า ง, งเขาฮหอาหารไว้เนี่ย mm. เฮ็ดแต่สาวๆเนี่สยสมากินกันยง ก, กินบ่มีรสอีกหนึแล้วมันเฮ็ดจองเมื่อสามเมื่อไปกินอีกสมมว่าเหม็มมนซาบบะเนี่ยอันนี้เฮ็ดจังว่างต้องเดือตายสานี่ซานาจริงๆเอานี่นะมันก็ผิดตีเนี่ย น, นี่แหละคนมาผิดกระบื้เลยคันผิดกบื้งจริงแน้ยังไงก็ไม่นอนแค่คนเบดนั้นดีกระ้จกักซัวกรบบื้หจกักนี่ยคนมีปัญญาไวา้ฟังกันอ้าแตอาหารมากินเดี๋ยวนี้แล้มันจะมีรสนี้ทาบุญเดี๋ย เนี่ยหน่อบุญคือมันบวชทุกบเป็นหามเนยบุญคือมันบวทุกเลยเหตุใดมันสบายใจผันวายอย่างสันที่ซื่อเนี่ยเหตอย่างคือกันนี่ยผันว่ายจึงมาเอาสวรรคัสดีนี้ได้อย่างจีนแม่ยหน้าที่ของคนได้อย่างใดได้คันหน้าที่ของสัตว์ของเต็ของผีบวได้กมสุขคนเกิดมาจึงเป็นคนหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนใจจึงเป็นสัตว์ก็ได้เป็นเต็ดกระไดเป็นสัตว์ น, นรนกก็ได้เป็นสัตว์เวราสารก็ะได คนเกิดมาเป็นคนหน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนใจอาจเป็นคนก็ได้ใจอาจเป็นมนุษย์ก็ได้ใจอาจเป็นเทวดาก็ได้ใจอาจเป็นอิป็นผมก็ได้ใจอาจเป็นพระเดียมบุคคลก็ได้เนี่ยเป็นว่าจย่งางไรทีว่าเนี้ยมรดลพานนั้นหู่จักเรามาใส้กับชีวิตของเราคนจึงทําการทํางานตามหน้าที่เป็นว่าอย่างไรหากบูหู่จักหน้าที่แล้วมกักกะทํางานผิดสนุนว่าทํางานผิดมันก็ได้รับทุกสนุนว่าเพิ่นสอนจังซานพระบุตรเจ้าสอน เขาสเพหรับอ้อยโบไดดอกเขาว่าเอามาอย่างจีโบไดเพราะน้าเป็นหน้าที่ของคนนี่นะโบไดเป็นหน้าที่ของสัตว์นะเพื่นว่าแล้วก็คนเนี่ยกับหุจักหน้าที่ของเขาสเนวะพระพุทธเจ้าเกิดแในประเทศอินเดียก็มีตาสองตาหูสองหูแข้งขามีคือกันเฮานี่ยมัดเฮาเกิดเป็นคนไทยก็มีคือกันมัดบมผิดกันนี่นะแล้วงเป็นอย่างจีโบไดคันโบได้จีมาสอนให้อยังสอนคนน่ะก็ไปสอนผีผู้สเนวะนี่มันเพ่สอนคนได้เนี่ยเพื่อนไ่ได้สอนสัตว์เด็ก เขสอนคนนี่นะเขาเป็นคนเขายู่ที่ฝั่งบัได้อย่าไปเห็ุอย่างแบบโงโง่แบบเหลวไหลไห ล, ะละหายสาระขาดจากปัญญาอลไรบัได้เพิ่นว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะโงโง่มีอยู่ใสมันก็มีเด้ตำราบัได้วาลังตอนนี้ถ้านบัวแม่ธรรมครูบาอาจารย์หลายท่านคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะโง่โง่มีบ่ขับพระพิจาว่าอยู่ใส่มีมีแต่คนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาเท่านั้นเอย เฮากมาเจ ร, ริญนิปปัตนามาเจริญห้มาเกิดปัญญาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงพคนญญว่าวิปัสนาเจวะเห็นแจ้งรู้จริงตั้งเก่าล่วงภาวะเดิมเน่ยพอเลิกบุหรี่ตอนเสารเลิกวัดตั้งแต่เบอร์นันมาเจ็ดหกเท้าเบอนี่เนะให้มันจะไปหลวงพ่อเลิกวัดตั้งแต่อายุสี่บหกปีเนี่ยพอเลิกได้เด็ดขาดมาเนี่ยพอจึงบออกไคร ว, ว่ามันผิดผิดเพลินมันถูกใครผู้จัดองค์สิ่งเี่พอผิดเพลินในแท้เจะาขอให้ผิดเพล่นเนี่ เพิ่นสูบมุรีบุสูบเพิ่นนเพิ่นวสุบแม่นอยบุสุบล้วัมันสัวเด่นในอย่างอันเห็นเนี่เห็นสัวเด้นนอันนี้เพิ่นว่าเสียสาสัตย์เพาะรักษาอวัยวะเสียสลาอวัยวะพารักษาชีวิตแม่ยอมเสียกระทางชีวิตเพาะรักษาสัต์จะทำคือความจริงเนี่ยพ่อเสียสลามาจริงๆญาพอจริงบย่านไผิข้าเสีตายไผ่ศิวะอย่างผบย่านพอญาพอเสียสลามาแล้วญาพอกล้าพูดของจริงให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีศรัทธา มีปัญญาฟังแล้วไปปฏิบัติจริงๆเสียได้เนี่ยพอโบอเมเซียไปเหตมือโคงๆหล อ, อกคนโบเอาเนี่ยอโบเอาแต่เนี่นี่แหละพันว่ากล้าได้คนมีดีมันต้องกล้าพูดที่อันนั้นอวดดีแท้พราอยมันคนอวดดีกับคนมีดีมาคนละอันกันได้มูเจ้าว่าอันเดียวกันปะคนอวดดีกับคนมีดีอามาพูดเนี่ยมาฟุงดูคือกันปะคนดีแล้วคนมีดีก็พูดพดีคนอวดดีได้ดีปะคนมีเก็อวดดีตัวเนี่ยเี่ยาไ่มีดิเนี่ยให้เขาจังกัน ยังว่าโม่เจ้าหนีแล้วแต่หากบุกหัวจับไปเสีเดียวนี้นี่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวอันนั้นเป็นจิต พ, พระพุทธเจ้าเลยอันนั้นเราคือนิพพานเพรว่านิพพานจึงโบกเกิดโบกแก่โบเจ็บโบตายคือลําอ้อยนี่พันวาเสมอต้นเสมอไปเขาเกิดมาไม่ได้เป็นอย่างซยูุ่นะเดี๋ยวนี้นี่นะนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นอะไนี่ยมันอยู่ซื่ๆอๆอมันอยู่ซื่อแต่มันมีบ่มี อันมันลงได้มีบ่สิบ่วงนี้เหาหักลงโตเหาะซื้อหลงชีวิตเหาลงจิตลงใจเหาอันลงในพันวาจะไหนนะมันบ่หูมันยังลงพันวาสัญญาควมหมายรู้จําได้พันวาจอมว่าทําควมรู้สึกเนี่ยให้ควมรู้สึกเนี่ยไปทําหน้าที่ของมันเพันเอิญว่าสัญญาควมรู้อันนี้พันวาจังใจขวมรู้อันนี้เนี่ยมันจะไปเติดออกมันที่เป็นของมันเองแต่ทุกคนรับรองเป็นแน่นอนอย่าพอกล้าได้อย่างีิ แต่ในพอจำได้พออยพอเขาใจอย่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวนี้บุษันหู้เธอนะเดี๋ยวนี้กระจิตไปฮักหู้กัไปบุหู้กับไปเ oh พิ่งว่าจรียกว่าสัจจะคือของจริงเปลี่ยนแปลงไปบรร่ได้หู้กับเป็นบ oh ุหู้เลเพิ่งเอิญป ร, า ม, ารถถมัตถาธรรมเพิ่งเอิญป ร, า ม, ารถถมัตถาธรรมอาการสภาพความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่เนยมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแกนเป็นแกนที่อย่างพวาอยู่เนี่ยเรียกว่าของจริงมีเพิ่งเอินว่าสัจจะธรรมเปลี่ยนแปลงไปบ่ได้ แม้ถึงจะรู้ก right. ับเป็นอย่างสั้นบลูรู้ก็เป็นอย่างสั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนตลาดรู้แลยเที่ยวเทศเที่ยวสอนโลดบัดเดียวเผนเพลจยงสั้นเผนเพลียงสั้นให้เข้าใจจริงๆถ้าบลเข้าใจแล้วของจิตเอาคีดไกลปลางีิเป็ดเด็เอาีิเป็ดพลางคิดไกลบลแต่เด็กเด็กีิเปิดคิดไกลได้คีดหมู่ขิดหมาขี้หมูขี้ควยมาลางกันบลออกมันเพิ่มขวบเหม็นอันนั้นมันบลเป็นลางให้ออกหมดเขาต้องลางให้ออกน้ำจดจดเนี่ย หลังออกซื้อนี่นะ่ะมันเป็นอย่างสันเจียงว่บ่เป็นห้ามทำมดเดี๋ยวนี้เนะี่ยวายฝังซื้อจีประสบบนไหนกเนีย่ยโคนมันก็ต้องตายไปเทาน่นะเกิดผู้นึงตายผู้หนึ่งเกิดสองคนตายสองคนเกิดมาร้อยคนตายร้อยคนทำ บ, บุญกร ะ, ะตายบ่ทำบุญกระต่ายบ่เนี่ยเนี่ยมีเงินกระตายบ่มีินกระตายตายแล้วเป็นยังไงเนีย่ยตายแล้วมันก็ตายแล้วสันจเนี่ยเราเป็นคนอยู่ิีิ่งให้ทั้งไหนเนี่ยควรทำหน้าที่ของเรา เรียควเยรเผยแผ่คำสอนของพระพรุทธเจ้าเพื่อจะมาสาวกพุทธะประพฤติปฏิบัติตามพระพรุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงตั้งเข้าล่วงภาวะเดิมพนว่าคนเป็นวิปัสสนาพนวะว่าบไม่คนเป็นหอกมันเป็นตามหน้าที่ของมั น, มนตอเ น, นื่องฟังให้คักขักเมื่เพราะว่าเขาจะได้แงกยายกันบ่าไม่มูเจ้าแง่ยัยเด้็กเงาะพ่อที่ไปผู้เดียวเงาะพอเงาะพ่อทีออมีธุระด่ว น, ว น, วนเพราะขาเจ้าโทรศัพท์มาต้องไป โบไปแต่ บ, บแมนขัดเจ้าว่าให้อนี่ยพ่อมาขัดเจ้าก็ต้องคิดว่าอนี่าพ่อที่โบขัดของอยี่ยพอปฏิบัติไปตามหน้าที่ของเน่ยพออาจีพผิดหน้าที่ของมูเจ้าเป็นว่าจะเป็นซาดเป็นเสื้อก็ตามเลยหากโบเอื้อเฟื้อก็เหมือนเสื้ออยู่ในปลาเลเห็นกินกันลดเสื้อ น, นี่กินเมื่อรถดไปเดียบเป็นว่าอย่างไรเ <S <S บื้งหน้ากันโบได้สอนกันโบเอาคนนี้เขก็คือเสื้อคือผี่นี่เล้วนํามันไหลกับโบเปลี่นทามันทุกมันจิผิดทะเลาะพิดเกี่ยงกันโบดีเป็นว่าเสื้ออยู่ในปลาโบแม่ซาดโบเป็นเสื้อยัง หากเอื้อเฟือแล้วก็เหมือนเนื้ออาตมาหรือเหมือนเสื้ออยู่ในกีงเหมือนเนื้อแหละมันอย่างที่ดีๆคือเมื่อคือหนังเขานี่แหละเขาต้องมีโลกอะไรต้องไปเบิ่งกันเป็นวันนี่ขาเจ้าบอกว่าเนี่ยพอไปให้มันเขาจะบอบอกมือนึ่งมือหนีให้มาภายในวันเสาร์จะมีแขกต่างชาตจะมาพบหลวงพ่อท่นแขกต่างชาตหลายคนเขาจะพบหลวงพ่อวันเสาร์กลับไปเมื่อวันนี้วันศุกร์แตเมื่ออื่นกับวันเสาร์ปิดนะท่านอย่างว่า ตอนนี้ก็เลยทีว่าให้หมู่เจ้าฝังให้มันคักคักคักกระคักเป็นอย่างพอพี่เล้วนเนาะโม่พระเจ้าบ้านังคักเธอได้คักคักแล้วก็คักคือกันเมื่อไ่ได้เห็นโม่เจ้าตอนที่ตายนี่นะอย่างพระสาวกพระพุทธเจ้าคือพระอนุรุทาพระยองเข้าสารตายกับพระพุทธเจ้าอันนั้นฝั่งตำรานด้โตที่ตายเนี่ยพอพระเจ้าสอนดีแล้วหูจักวิธีตายตายแบบนั้นตายแบบนี้มันจะเข้าเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปโลยประเดี๋ยวแน่นอนที่สุด คนบุกเ้าจักมันก็แล่นเข้าไป่าไปเยียดหนามเยียดต่อไปดูไปเข้าเง่าไพรไปเนี่ยมีแต่หนามก็บุกเข้าไปเมืคนที่ไปเป็นมันกเอาผ้าทางออกคันโนราณถางไางว้คันถางไว้แล้วก็ย่างไปสบายไปเนียไปเนี้ยก น, นแล้วมูเจีเอาไงเจี่ยเอาแ บ, บกกำลังทางหรือหรือจะเอาแบกถางไปแล้วหรือจะเอาแบก บ, บุกเข้าจักรตำไปทันทีทันทีคนมาเข้าจักรกันทันเลยว่านไไแน่นอนที่สุดได้บนเนี่ยบนยกเว้นได้โฮกับจเป็นหันเลย บ, นนบยุกโฮกับจีเป็นหันเลย เป็นอนันต์นันเด้จวนจำบุญลมหายใจไ้เด้เขาเคยได้ยินเนีุ่ดโพธนาพระพุทธเจ้าไปเทศ้า้ฝังจวนจำบุญลมหายใจอยังได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในภายเดี๋ยวนี้ใครกินบะเต้ให้เขาฟังเดีวนี้เนี่ยเนี่ยข้อเกิดมาเนี่ยบุญเหตนบุญไม้ฝังปันนี้เธอได้อน่ยพอเนี่ยพอว่าให้โมเจ้าฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะต้องการให้โมเจ้ามีความสุขโดยที่บูเจือวผลด้วยถุกอันนี้พี่เด้กความสุขบูเจือวผลด้วยถูกกหู้จักวิธีตายพี่เด้ มันจะยืดหมดได้เลือดบันจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมของมันมัดเหมือนกับตําลีโบทุกน้ำพี่เน๊ะพี่ได้เนี่ยภาวาอยาู่นู่นโบเมนเชียว่าคือว่านั่นคนเน๊ะเมื่อหาจะจมดลมหายใจเนี้แต่มันเป็นแล้วเดียนี้เป็นก่อนแล้วมันเป็นไปแล้วจีบ้ารู้จักแล้วทางไปแล้วคนทางลาเปลี่ยนไปแล้วไปไม่ได้ก็ได้โบเดือดร้อนเป็นวายัางสั่นนี่จวนจะมดลมหายใจเนี่ยมือเจ้าก็ต้องเป็นนะพอดีปุ๊บเลยเลือดมืจะาจะกลับสะท้อนเข้า สภาพเดิมเมืนมัดเหมือนเดียวถ้าเป็นเมือ่อนี้เมันนีก็เป็นเมื่ออื่นสนุ่ะเป็นนะจีวะ เ, เนี่ยเป็นเอาก็กินข้าวกินน้ำสบายแล้วเว้ยใส่ใสก็สบายนี่อันนี้แหละพนมมาตายเราเกิดเติมนื้อตายเราบอเกิดเติมข่าวบอกต่อมาคนมีกิเลสเราเกิดเติมคนบุญมีกิเลสเราเกิดเติมยึดถานนะจีวาเอื้อมือออกให้มันได้ถ้าคนสลาดคนมีปัญญาฟังเลยยื้อออกมาใส่เดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าคนที่บดสลาดยั ง, ง, งโง่หลงอยู่นี่แหะ ไอ้เอาโบได้แล้วนี่ผ่านโบไม่อของเขาไม่ของพระพุทธเจ้าสิกรเออขาจะวาไปซะถ้าห้าเขาเป็นคนสลาดเอารถเขาเอารถเป็นของเขาจริงๆโบไม่ของพระพุทธเจ้าอันนั้นของพระพุทธเจ้ามั น, น, น, tamam. นก็เอาไปของเพิ่นเขาก็ต้องเอาไปของเขาของภัยของมันได้อยู่เนี่ยจริงวะเป็นพระพุทธเจ้าได้มดทุกคนมีศาสนาประจํำมัดทุกคนทุกชาต ท, ทุกภาษาทุกเพศทุกไลน์อย่างพวานนี่โบไม่ของใครทั้งหมดเป็นสากลพุทธศาสนาจึงสอนธรรมะเป็นสากล คำว่าสาคนนี้เป็นของทุกคนทุกาสาตทุกภาษาทุกเพศทุกวัยเอาไปใส้ได้ถ้ารู้จักแล้วถ้าบม่รู้จักเอาไปใส่บ่ได้เถอะทิ่เป็นนั่งข้อถ้านั่งคอยเอาบ่เมีนเนี้ยบ่เมียนที่เป็นสาธุให้เธอโรตลีเนี้ยบ่ซื้อจากเธอบ่ถึกเด้ยบ่บ่มีจิตสอนให้ซื้อรรตลีได้ออนเนี้ยเ น, นี่ยคันอยากรวยทางลัดทางซันบ่เมีนคันรวยทางรัดอันนี้ได้ยแอนคันอยากรวยทางรัดไปซื้อเลขกนั้นบ่เมียนอันคันยอยากรวยทางรัดดันฮิบมาเจริญนิพพานะทาความรู้สึกนี้ยมันรวยว่นนั้นรวยบ่หมดทุก รวยสติปัญญาคันรวยอยากได้รวยทางลัดอยากได้เ ง, นนงเนินนั่นนะรื่งรวยกับยุคผิบหายอะไรย่างเงีไม่เป็นพอะไรสักนี้เพราะเขะใพ้คนว่าแล้วมันเป็นปากทางไปนรกมันเป็นผิดปัญญเอื้อนอบายามุกเป็นว่าอยางนั้นกินเหล้าล่นเบี้ยลื่นไปเที่ยวกลางคืนดูกนันเล่นเล่นการพันนันคบคนซัวเป็นมิตรเป็นปากทางไปนรกเป็นว่าอย่างนั้นคบบัณฑิตอ่ารสักหนึ่งงดไปดจากการทำซัวสักหนงตั้งอยู่ในฐานะ ขวมหีเป็นเอื้องสิ่งทำหรือจริยธรรมพันวาสังสรรค์ถ้าหาบุหะจักสิ่งทำบุหะจักจริยธรรมแล้วก็แล้วคนเท่านั้นที่ซื้อนี้แล้วคนเอาล้วก็าคาดกลมเป็นคนแล้วตายกระชี้ไปด้วยขมือตกบันไดคอหักรถนี่เป็นอะไรคนที่ตายไปด้วยควมสุกตกบันไดกรย่างไปสบายไปรถมันบวชจิตนี่พอไว้ า, วาฟังอย่างที่อีกคนหนึ่งนะทีไว้าฟังนี่ยเขาได้ถามพวกทหารนักบินพวกรถ ล, ลม คนที่จีนโดดทาอีเด็ดโถตกใจแล้วยขจาวัยอย่าพอเข้าใจว่ามีจีนรลอดฟัวอัลฟัวเดวอร์โบแมนเนธขจะาวายฝังขับเลยขึ้นเครื่องบินเ ข, ข้าแถวกันเลยออกไปรถ อ, ออกประตูนักขับไพโบไปได้เตือนยันกันไปรถ อ, ออกไปแล้วโบมีทางสีกัวโตโดดลมมาเบื้องที่ดินบบให้เบิง้งเลื่อไปปุ๊บออกไปลโลดออกไปรถโบมีเหลือจักคนคนที่บบมีใสรร่ปีก็เลยตึ้นควงควงมาแล้วลงมาจีนฮวัดไกด์ที่ดินที่ว่ามันยีคึงบ้านีา้คนโดดออกไปปุ๊บหูวจักแล้ว พอดีโยนออกไปแล้วก็จับเบี่ยงเขายาตึกบแล้วก็ห้อยสักไปที่เอาไปลงบนท่านบนนี้แปลงไปใส่รถเสื้อเขายาโย น, ยนไปบางคนทีว่าตกเสืป้าก็มีตกเสืน้ำก็มีตกเสื้อน้ำตกใสืทั่วทั่วไปรูดคนที่แปลงไปเนี่ยเขาพอดีโดดตึ๊บลงไปเขาจะมีเครื่องเนี่พอดีอุ้มพาไปทิ้ทงออกไปแล้วก็มือปึ๊บแล้วก็จับเสื้อเขาจะไว้ฝัางจับเสื้อต่อไปทั้งคนต่อไปแล้วพี่โยนไปทังคนทั้งคนก็ไปลงบนผมต้องการงานรูอันนี้ก็สะนั้น เรื่องมิตรภานนั้นให้รู้จักไวัยตะกรอนลวงหนะ้าอย่าจะไปพัฒนาเอาการพัฒนาเอานั้นผิดแล้วแต่มันถูกของคนโง่ผิดของคนสลดัดที่ว่ามันผิดเขาเขาว่าผิดเขาให้ยอมรับมันคองจริงเดชเขาผิดเขาแล้วยอมรับว่าเขาผิดเขาแล้วเนีย่ยให้เข้าใจอย่างสัน้นเอาละที่อยี่ยพอได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเป็นครั้งสุดท้ายที่เน่ยพอตัดยังหนันยังปฏิไป ให้พวกเราได้จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสภาพภาวะจิตใจของเขาจริงๆให้พวกเขาได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ดีในศีวิจิตจงทุกๆคนเธออย่างที่พระเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคต น, น, น, ตคตนี้เอาให้ได้ในศาตร์นี้นะ มือนีนะวินาทีดีเนี้ยเอาพอแหละตอกันตอดีกัน